อันเตบุตรังสารนองกัจฉามิธรรมังสารนองกัจฉามิสังขังสารนองกัจฉามิดุติยมปิบุตรังสารนองกัจฉามิดุติยมปิธรรมังสารนองกัจฉามิ ดุติยมิสัง n ังสรรนงกัจฉามิตติยมิบุตังสรรนงกัจฉามิตติยมิธรรมสารนงกัจฉามิตติยมิสังขังสรรนงกัจฉามิอะมะพันเต